ในเวลาต่อมาคืนวันหนึ่งท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ได้ยินหรือทราบขึ้นภายในใจว่าหัวหน้าบ้านประชุมสอบถามผลของการสังเกตการว่าได้ผลคืบหน้าไปเพียงใดบ้างชาวบ้านบรรดาที่มาสังเกตให้คำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีผลอะไรตามความคิดเห็นของพวกเราที่คิดกันไปทาอย่างนั้นดีไม่ดีน่ากลัวจะเป็นโทษมากกว่าผลที่คาดคันผู้สงสัยซักขึ้น ทำไมว่าอย่างนั้นเขาตอบกันว่าก็เท่าที่สังเกตดูแล้วตูเจ้าสองตนนั้ น, นตูเจ้าหมายถึงพระไม่เห็นมีกิริยาท่าทางใดๆที่เป็นไปดังที่พวกเราคาดกันไปสังเกตดูทีไรก็เห็นแต่ท่านนั่งหลับตานิ่งอยู่บ้างท่านเดินกลับไปกลับมาในท่าสมรวมไม่มองโน้นมองนี้อย่างคนทั่วๆไปบ้างคนที่จะเป็นเสือเย็นตั้งท่าคอยฉีกสัตว์กัดคนคงไม่ทาอย่างนั้น ต้องมีอาการแสดงออกให้พอจับได้บ้างแต่ตุเจ้าสองตอนนี้ไม่มีกิริยาเช่นนั้นแฝงอยู่บ้างเลยถ้าขืนไปทำอย่างที่พากันทำอยู่ทุกวันนี้จึงน่ากลัวเป็นบาปทางที่ถูกควรไปศึกษาไต่ถามท่านดูให้รู้เหตุผลต้นปลายก่อนอยู่ๆก็ไปหมาว่าท่านไม่ไดีเอาเลยตามความคิดเห็นเฉยๆอย่างนี้น่ากลัวเป็นบาปบรรดาพวกที่ไปสังเกตท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นตุเจ้าดี ยากจะหาได้พวกเราก็เคยเห็นตูเจ้ามาบ้างพอจะรู้ของดีของไม่ดีบางรายก็ว่าเขารบเรลือมสายท่านมากกว่าจะคิดแสหาโทษท่านถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ควรไปศึกษาไต่ถามท่านดูบ้างว่าการนั่งหลับตานิ่งๆก็ดีการเดินกลับไปกลับมาก็ดีท่านนั่งเพื่ออะไรและท่านเดินหาอะไรท่านว่าสุดท้ายแห่งการประชุมของชาวป่าได้ความว่า ให้คนไปไต่ถามท่านดูตามที่ตกลงกันตื่นเช้ามาท่งางกอพู้กับพระที่อยู่ด้วยว่าเขาเริ่มกลับใจมาทางดีแล้วคืนนี้เขาประชุมการเกี่ยวกับการมาสังเกตดูพวกเราตกลงกันว่าจะจัดให้คนมาไต่ถามข้อคองใจกับพวกเราพอวันหลังตอนบ่ายๆเขาพากันมาจริงๆดังที่รู้ไว้ในชนวนที่มามีคนหนึ่งถามขึ้นว่าตุเจ้านั่งหลับตานิ่งๆและเดินกลับไปกลับมานั้น ตูเจ้านั่งและเดินหาอะไรท่านตอบเขาว่าพุโทโธเราหายเรานั่งและเดินหาพุโทโธเขาถามท่านว่าพุโทโธเป็นตัวอย่างไรพวกเราจะช่วยตูเจ้าหาได้ไหมท่านตอบว่าพุโทโธเป็นดวงแก้วอันประเสริฐเลิศโลกในไตรภพเป็นดวงฉลาดรอบรู้ทั่วไตรโลกธาตุถ้าสูจะช่วยเราหาก็ยิ่งดีมากจะได้เห็นพุโทโธเร็วๆง่ายๆด้วยลเปิด สูเป็นคำที่ชาวเขานับถือกันว่าดีมากสนิท ก, กันมากวงเล็บปิดเขาถามว่าพุโทโธผู้เจ้าหายมานานแล้วหรือท่านตอบว่าไม่นานถ้าสูช่วยหาให้ยิ่งจะพบเร็วกว่าเราหาเพียงคนเดียวเขาถามว่าพุโทโธเป็นดวงแก้วใหญ่ไหมท่านตอบว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีกับเราและกับพวกสูดีๆนี่เองใครหาพุโทโธพบคนนั้นประเสริฐมองเห็นอะไรได้ตามใจหวัง เขาถามมองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมตุ้เจ้าท่านตอบว่ามองเห็นสิไม่เห็นจะว่าดประเสริฐได้อย่างไรลูกเมียผัวตายมองเห็นได้ไหมตุ้เจ้าท่านตอบว่าเห็นหมดถ้าต้องการอยากเห็นเมื่อใดพุโทโธแล้วเขาถามว่าสว่างมากไหมสว่างมากยิ่งกว่าพระอาทิตย์ตั้งร้อยดวงพันดวงเพราะพระอาทิตย์ไม่สามารถส่องเห็นนรกสวรรค์ได้แต่ดวงพุโทโธสามารถส่องเห็นหมดเขาถาม ผู้หญิงช่วยหาได้ไหมเด็กๆช่วยหาได้ไหมท่านได้ทั้งนั้นไม่นิยมว่าหญิงว่าชายกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหาก็ได้ทั้งนั้นเขาถามท่านว่าผู้โทนั้นประเสริฐในทางใดบ้างการผีได้ไหมท่านตอบว่าผู้โทรประเสริฐและใช้ได้หลายทางจนนับเป็นทวนในโลกทั้งสามคือการมโลกรู ป, ปรโลกรูปโลกโลกทั้งสามต้องยอมกราบผู้โททั้งนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพุ้โธผีก็กลัวผู้โธมาก ต้องกราพุโทโธใครหาพุโทโธแม้ยังไม่พบผีเริ่มกลัวผู้นั้นแล้วเขาถามท่านพุโทโธเป็นแก้วสีอะไรตูเจ้าท่านตอบพุทท่านตอบพุโทโธเป็นแก้วดวงสว่างสวัยและมีหลายสีจนนับไม่ได้พุโทโธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้าพุโทโธนั้นเป็นองค์แห่งความรู้ความสว่างสวยัยไม่เป็นวัตถุพระพุทธเจ้าท่านมอบให้พวกเราไว้หลายปีแล้วแต่เราเองยังหาพุโทโธที่ท่านมอบให้ยังไม่เจอ ไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนแต่จะอยู่ที่ไหนไม่สําคัญนักที่สําคัญก็คือถ้าสูจะพากันช่วยเราหาพุโทโธจริงๆให้พากันนั่งหรือเดินนึกในใจว่าพุโทโธพุโทโธอยู่ภายในโดยเฉพาะไม่ให้จิตส่งออกไปนอกกายให้รู้อยู่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธเท่านั้นถ้าทําอย่างนี้พวกสูอาจเจอพุโทโธก่อนเราก็ได้เขาถามท่านว่าการนั่งหรือเดินหาพุโทโธ จะให้นั่งหรือเดินนานเท่าไรถึงจะพบผู้โทแล้วหยุดได้ท่านตอบให้นั่งหรือเดินเพียงสิห้าหรือยีสนาทีก่อนสําหรับผู้ตามหาผู้โททีแรกผู้โทท่านยังไม่อยากให้พวกเราตามหาท่านนานนักกลัวจะเหนื่อยแล้วตามผู้โทไม่ทันเดี๋ยวจะขี้เกียจเสียก่อนทีหลังจะไม่อยากตามหาท่านแล้วเลยจะไม่พบท่านเอาเพียงเท่านี้ก่อนถ้าอธิบายมากกว่านี้จะจําวิธีไม่ได้แล้วตามหาผู้โทไม่พบ เสร็จแล้วเขาพากันกลับบ้านการลาท่านสำหรับเขาแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาไม่เคยลาใครว่าจะไปเขารุกขึ้นแล้วก็ไปทันทีทันใดไม่สนใจคำลาใครทั้งนั้นพอไปถึงบ้านแล้วชาวบ้านต่างมารุมถามเป็นการใหญ่เขาอธิบายให้ฟังตามที่ท่านสั่งสอนเขาแต่โดยย่ อ, อไว้ก่อนนั้นนอกจากนั้นเขายังอธิบายเรื่องท่านพระอาจารย์ให้ชาวบ้านฟังว่าที่สงสัยการนั่งรับตานิ่งๆ และการเดินกลับไปกลับมานั้นท่านนั่งและเดินหาพุโทโธดวงเลอต่างหากมิได้นั่งและเดินแบบเสือเย็นดังที่พวกเราเข้าใจกันพอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่านนำไปเล่าให้ฟังแล้วต่างคนต่างสนใจฝึกหัดนึกพุโทโธภายในใจโดยทั่วกันนับแต่หัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็กๆที่พอรู้วิธีนึกพุโทโธได้เป็นที่อัศจรรย์ไม่คาดฝันว่าจะมีผู้รู้เห็นรมของพระพุทธเจ้า ภายในใจอย่างประจักษ์โดยไม่เนินนานนักคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อซึ่งตามหาพุทโธแล้วประสบธรรมคือความสงบสุขทางใจจากการนึกบริกรรมพุทโธตามวิธีที่ท่านบอกเขาท่านเล่าว่าก่อนหน้าสามสีวันที่เขาจะประสบผลจากพุทโธเขานอนหลับฝันถึงท่านพระอาจารย์มั่นว่าท่านเอาเทียนใหญ่ที่จุดไฟอย่างสว่างสวายแล้วไปติดไว้บนศรีรษะเขา พอท่านติดเทียนเสร็จแล้วนับแต่ศีรษะลงมาถึงตัวเขาปรากฏว่าสว่างสวัยไปโดยตลอดเขาดีใจมากว่าตนได้ของดีมีความสว่างสวัยแผ่ออกไปนอกกายตั้งหลายๆว่าพอจิตเขาเป็นขึ้นมาก็รีบมาหาท่านพระอาจารย์และเล่าเรื่องความเป็นและความฝันให้ท่านฟังอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นท่านก็ได้อธิบายเพิ่มเติมให้เขาไปทาต่อปรากฏว่าได้ผลอย่างรวดเร็ว และยังสามารถรู้ใจของผู้อื่นได้อีกด้วยว่าใจของใครยังมีเศร้าหมองและผ่องใสเพียงใดเขาพูดกับท่านอย่างไม่มีการสะทกสะทานเลยซึ่งตรงกับจริตคนป่าที่มีนิสัยพูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วในเวลาต่อมาเขาออกมาเล่าทำให้ท่านฟังว่าเขาได้พิจารณารู้เห็นจิตท่านอาจารย์และพระที่อยู่กับท่านได้อย่างชัดเจนท่านเองก็ถามเขาบ้างเป็นเชิงเล่นเ่นว่าจิตของท่านเป็นอย่างไรมีบาปมากไหม เขาตอบท่านทันทีเลยว่าจิตของตุเจ้าไม่มีจุดมีดวงเหลืออยู่แล้วมีแต่ความสว่างสวยัยอันเป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่ภายในเท่านั้นตุเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนเฮาไม่เคยเห็นองเล็บคำว่าเฮาเทียบกับคำว่าผมตุเจ้ามาพักอยู่ที่นี่ตั้งนานร่วมปีแล้วทาไมไม่สอนเฮาวางก้าแต่แรกมาอยู่องเล็บเปิดก้าเท่ากับ เล่าหรือไม่ก็ได้แปลได้หลายในมากพอดูมีติดท้ายประโยคได้ทั้งคำถามคำตอบวงเล็บปิดท่านตอบจะให้เราสอนอย่างไรก็ไม่เคยเห็นพวกสูงมาศึกษาไต่ถามเรานี่นาเขาตอบท่านว่าก็เขาบอกหู้กล้าวงเล็บบ่อเท่ากับไม่ว่าตุเจ้าเป็นผู้วิเศษถ้าหู้จะทนอยู่ได้อย่างไรต้องมาแน่แน่ทีนี้พวกเขาหู้แล้วกล้าว่าตุเจ้าเป็นผู้ฉลาดมาก เวลาพวกเขามาถามว่าตุเจ้านั่งหลับตานิ่งๆิ่งและเดินกลับไปกลับมานั้นทําทําไมหรือหาอะไรตุเจ้าก็บอกพวกเขาว่าพุทโธหายให้พวกเขาช่วยหาเมื่อถามถึงพุทโธเป็นลักษณะอย่างไรก็บอกไปว่าเป็นแก้วดวงสว่างสวยัยความจริงจิตตุเจ้าเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ได้สูญหายไปไหนแต่เป็นอุบายฉลาดของตุเจ้าที่เมตตาสงสารพวกเขาให้ภาวนาพุทโธเพื่อให้จิตพวกเขาสว่างสวายเหมือนจิตตุเจ้าท่างหาก เขาฮูลแล้วว่าตุเจ้าเป็นผู้ประเสริฐและเฉลียวฉลาดปรารถนาให้พวกเขาได้บุญมีความสุขและพบพุทโธดวงประเสริฐที่ใจตัวเองไม่ใช่หาพุทโธให้ตุเจ้านับแต่เขาคนนั้นได้เห็นธรรมภายในใจเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องก็กระจายไปทั่วบ้านในไม่ชะคนในบ้านต่างก็เกิดความสนใจและพากันภาวนาพุทโธไปตามๆกันตลอดเด็กเล็กๆและเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสท่านพระอาจารย์มั่นมาก เรื่องเสือเย็นเลยหายซากไปไม่มีใครกล่าวถึงเลยนับแต่นั้นมาเวลาท่านกลับจากบินธบาตคนที่ภาวนาเป็นนั้นต้องตามส่งบาทและศึกษาทํากับท่านทุกวันถ้าวันไหนเขามีธุระไม่ได้ตามท่งบาทท่านก็สั่งกับคนไว้ในหมู่บ้านนั่นทราบว่ามีคนภาวนาเป็นอยู่หลายคนมีทั้งชายและหญิงที่เก่งที่เก่งกว่าเพื่อนนั้นก็คือเขาคนเป็นก่อนนั่นเองคนเราเมื่อความพอใจมีแล้ว สิ่งอื่นๆก็ค่อยเป็นไปเองเช่นคนพวกนี้แต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจกับท่านเลยว่าท่านได้อยู่ได้นอนได้ขบฉันอย่างไรบ้างแม้จะเป็นหรือจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นพอเขาเกิดความเชื่อถือและเลื่อมใสแล้วทุกสิ่งที่เคยขาดแคลนก็กลับกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลําดับทางจงกรมกุฏิที่พักที่ฉันเขาพร้อมกันมาทาถวายท่านเองจนเรียบไปหมดโดยไม่ได้บอกกล่าวเลย มีหนำเขายังมาตำหนิท่านเป็นเชิงชมเชิอยู่อย่างลึกลับด้วยว่าทางจงกรมอย่างนั้นตู้เจ้าก็เดินได้ดูแลมีแต่ต้นไม้เครือเขาเทาวันเต็มไปหมดตู้เจ้าไม่ใช่หมูพอจะเดินบุกป่าฝ่าดงไปอย่างนั้นแต่ทำไมยังอุตส่าห์เดินบุกไปได้เมื่อเขาถามว่านี่ทางอะไรก็บอกว่าทางเดินหาพุทโธพุทโธพุทโธโรหายเมื่อเขาถามว่านั่งลับตาอยู่นิ่งๆนั้นนั่งทาไมก็บอกว่านั่งหาทําบ้าง นั่งหาพุทโธบ้างพูดอย่างนั้นก็ได้ตุเจ้านี้แปลกกว่าคนทั้งหลายตุเจ้าวิเศษเลิศโลกเท่าไรก็ไม่ได้บอ ก, กว่าวิเศษตุเจ้าคนนี้แปลกมากเฮาชอบนิสัยตุเจ้าต้นนี้มากที่หลับที่นอนก็มีแต่ใบไม้ปูเต็มพื้นดินจนจะเหม็นเน่าอยู่แล้วท่านทนนอนมาตั้งหลายเดือนทําไมทนได้เฮาดูที่นอนตุเจ้าแล้วเหมือนที่นอนหมูเห็นแล้วเฮาสงสารตุเจ้ามากจนเกือบร้องไห้ พวกเขาเองก็โง่จริงๆโง่กันทั้งบ้านไม่รู้จักของดีมิหนำบางคนยังหาว่าตุเจ้ามาอยู่เพื่อหลอกลวงชาวบ้านแล้วเขาก็พากันรังเกียจระแวงแต่เวลานี้พวกเขาพากันเชื่อถือและเลื่อมใสตุเจ้ากันทั้งบ้านแล้วเพราะเขาทราบเรื่องของตุเจ้าจากเฮาค่าดังนี้ท่านว่าคนพวกนี้ถ้าลงเขาได้เชื่อและเคารพนับถือแล้วต้องนับถือแบบถึงใจจริงๆและถึงไหนถึงกันเป็นก็เป็นด้วยกันตายก็ตายด้วยกัน แม้ชีวิตก็ยอมสละได้เราพูดอะไรเขาเชื่อฟังและเคารพนัำถือมากการบริกรรมโพนาหาพุโทโธของเขาท่านก็สอนให้เยบเวลาขึ้นไปตามความเคยชินและผู้ชำนาญเป็นลำดับปีนั้นท่านต้องธำรากับพวกเขารวมแล้วเป็นเวลาปีกว่าท่านไปอยู่กับพวกเขาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนปีหลังจึงได้จากเขาไปก่อนจะจากเขาไปได้ก็นับว่าทุรัทุเล ด้วยความสงสารเขาเอาการอยู่เนื่องจากเขาไม่ยอมให้ท่านหนีไปไหนเอาเลยเขาบอกท่านว่าแม้ท่านตายลงไปในที่นั้นเขาทั้งบ้านจะรับรองเผาศพท่านแม้เขาเองก็มอบชีวิตไว้กับท่านด้วยเพราะความรักและเขารบเลื่อมใสท่านมากผลดีก็เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจน่าชมเชยน่าชมเชยเขาที่มีความฉลาดระลึกในความผิดได้พอเห็นพระที่ ปฏิบัติดีน่าเลื่อมใสจริงๆแล้วก็กลับมาเห็นโทษความผิดของตนที่คิดไม่ดีแต่ก่อนแล้วพร้อมกันมาขอขมาโทษท่านให้อโหสิกรรมให้ก่อนจากพวกเขาท่านได้พูดกับพระที่อยู่ได้ว่าที่นี่เขาหมดโทษแล้วเราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องแล้วแต่สําคัญตอนลาเขาออกจากที่นั้นท่านว่าน่าสงสารสังเวชกับความรักความนับถือความเคารพเลื่อมใสและคำวิงวอนเขาจนบอกไม่ถูก พอพวกเขาทราบว่าท่านจะจากเขาไปเท่านั้นเขาพากันออกมาทั้งบ้านมาร้องไห้วิงวอนกันอย่างชลโมลวุ่นวายไปทั้งป่าเหมือนคนร้องไห้คิดถึงคนตายนั่นเองท่านก็พยายามแสดงเหตุผลที่จำต้องจากเขาไปและปลอบโยนพวกเขาไม่ให้เสียใจยจนเลยขอบเขตแห่งธรรมคือความพอดีจนเขาเป็นที่ลงใจแล้วก็ออกจากที่พักอันแสนสํามราบนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันกลับเกิดขึ้นอีกคือทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างคนต่างวิ่งออกไปรุมล้อมท่าน และเข้าแยงเอาบริขารกรดบาดกา้น้ำกับผู้ตามส่งท่านและฉุดชายสวงจีวรกอดแข้งกอดขาท่านเดินกลับมาที่พักอีกเหมือนเด็กๆโดยไม่ยอมให้ท่านไปท่านต้องกลับมาแสดงเหตุผลและปลอบโยนใจให้สงบเย็นอีกพักหนึ่งแล้วค่อยพากันปล่อยให้ท่านไปพอท่านก้าวออกจากที่พักเดินไปได้ประมาณสี่ห้าวาเท่านั้นต่างก็ร้องไห้แล้วพากันตามฉุดเอาท่านกลับมาอีก ทำเอาท่านเสียเวลาไปหลายชั่วโมงฟังเสียงร้องไห้ระเบงเซงแสฉุกลระหูกุ้นวายไปทั่วทั้งป่าซึ่งเป็นที่นาสมเพเนทเบญธนาเอานักนาความาเสือเย็นที่เกิดขึ้นในตอนแรกๆจึงหมดความหมายไปทั้งสองฝ่ายที่ยังเหลืออยู่จึงมีแต่ความเคารพเลื่อมใสความอาลัยอาวร์ในท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่งที่สุดจะอดกลั้นไว้ได้ขณะที่ท่านจากไปจึงมีแต่เสียงร้องไห้ระทมทุกข์ของพวกชาวเขาที่พิไรรำพัน ทั้งเสียงร้องไห้และสั่งเสียว่าเมื่อตุเจ้าไปแล้วให้รีบกลับคืนมาหาพวกเขาอีกอย่าอยู่นานพวกเขาคิดถึงตุเจ้าแทบอกจะแตกตาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วกล้าจนไม่ทราบว่าเป็นเสียงเด็กหรือเสียงผู้ใหญ่ที่ต่างคนต่างร้องไห้ไว้ทุกในคราวท่านจากไปเวลานั้นนับว่าท่านไปอยู่ในถ้ำกลางแห่งความระแวงสงสัยไม่พอใจของเขาในครั้งแรกแต่จากไปในถ้ำกลางแห่งความอาลัยเสียดายของเขาในภายหลัง จึงนับว่าท่านเที่ยวชะลางสิ่งสกปรกรกกรงรังให้กลายเป็นของสะอาดปราศจากมลทินควรแก่ความเป็นของมีคุณค่าขึ้นได้สมกับท่านบวชมาเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตผู้ไม่ถือโกรธ ถ, ถือโทษกับผู้ใดจริงๆใครรังเกียจท่านก็พยายามอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาสงสารมายึดเอาความผิดพลาดของเขามาเป็นอารมณ์เครื่องขุนข้องหมองใจให้เป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นมีใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตา อันเป็นที่เจริญศรัทธาของโลกผู้ร้อนด้วยกิเลสตัณหาวิ่งเข้ามาอาศัยให้ได้รับความไว้วางใจและเย็นฉ่ำทุ่วนากันนับว่าเป็นผู้อศัศจรรย์ด้วยคุณธรรมอันหาที่เปรียบได้ยากขณะนั่งฟังท่าเล่าผู้ฟังเกิดความสังเวชสลดใจอดวาดภาพไปตามไม่ได้ปรากฏในมโนภาพขณะนั้นเหมือนดูภาพยนตร์ที่แสดงเรื่องโลมวุ่นวายของชาวบ้านป่าที่มีศรัทธาแรงกล้า ละเลือดเนื้อชีวิตดวงใจต่อท่านผู้วิเศษด้วยคุณธรรมขอให้ท่านประพรมโสดสองด้วยพรมิหารประทานเมตตาแก่พวกเขาให้มีชีวิตชีวาเจริญวาสนาสืบต่อไปด้วยการวิงวอนและร้องไห้วิ่งกอดแข้งกอดขาฉุดผ้าสังขารติสมองจีวรบาทบริหารท่านกลับมาสู่บรรณาศาลาหลังเล็กๆของลือสีที่มุงด้วยเปลึกไม้ใบหญ้าอันแสนสําราญซึ่งเป็นที่น่าสงสารอย่างประทับใจ แต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกอ น, นิจจังจำมาต้องจำมาต้องจำจากเพราะการพัดพรากแปรผันเป็นสายทางเดินแห่งคติธรรมดาไม่มีท่านผู้ใดาสามารถปิดกั้นหรือทำลายได้ดังนั้นท่านพระอาจารย์มั่นแม้จะทราบอัธยาศัยของชาวศรัทธาที่เกี่ยวพันหนักแน่นกับท่านอยู่อย่างเต็มใจก็จำต้องจากไปในเมื่อการมาถึงแล้วเป็นที่ทราบกันว่า ท่านพระอาจารย์มั่นทิชาว้านในเขาเคยให้นามท่านว่าเป็นเสือเย็นแต่ท่านเป็นวิสุทธิบุคคลอยู่ในข่ายแห่งปุญยักเขตังโลกักดสิของโลกท่านได้จากชาวเขาไปเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่โลกต่อไปตามอัธยาศัยไม่มีประมาณเรื่องทั้งนี้นับว่าเป็นคติแก่อุชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีซึ่งเวลานี้พุทธศาสนิกชนผู้รักความสงบกําลังวิตกห่วงใ ย, ยทั้งตนและพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติอันเป็นสมบัติล้นค่า และเป็นคู่เคียงแห่งชีวิตจิตใจตลอดมาที่อาจถูกเพ่งเล็งกล่าวหาอย่างลึกล้ำว่าเป็นเสือเย็นทํานองที่ท่านพระอาจารย์มั่นถูกมาแล้วกําจัดทําลายอย่างเปิดเผยก็ได้จากฝ่ายใดก็ตามที่มีความรู้ความเห็นเป็นประปักต่อหลักพระศาสนาและคตินิสัยของพุทธศาสนิกชนซึ่งเวลานี้ก็เริ่มไหวตัวว่างพอให้รู้สึกว่าไม่ควรนอนใจถ้านอนหลับทับสิทธิ์จนเกินไปอาจเสียใจในภายหลังท่านพระอาจารย์มั่น ท่านดำเนินตามแบบสุขโตไปอยู่ในป่าในเขาก็เป็นประโยชน์แก่ชาวป่าชาวเขาเทวบุตรเทวทิดาอินพรหมพูดผีหน้าครุฑไม่ว่างงานท่านมีเมตตาส ง, สงสารอนุเคราะห์โลกอยู่ตลอดเวลาออกมาเมืองมนุษย์มนาก็โปรดมนุษย์มนาพระเนนเทนชีคหะดีถวยข่าประชาชนคนทุกชั้นไม่เว้นแต่ละเวลามีมนุษย์มนาไปมาหาสู่ศึกษาอบรมอัตธรรมกับท่านเป็นประจำนับว่า ท่านทำประโยชน์มหาศาลแก่ส่วนรวมซึ่งยากจะมีผู้ทำได้ละเอียดละออกว้างกวางเหมือนอย่างท่านเวลาพักอยู่ในภูเขาตอนใบบ่ายเย็นๆพวกชาวป่าก็พร้อยได้รับความแช่มชื่นเบิกบานจากธรรมที่ท่านแสดงโสดสงตกตอนดึกก็แก้ปัญหาและแสดงธรรมแก่เทวดาที่มาจากชั้นและที่ต่างๆฟังเรื่องเช่นนี้นับว่าเป็นภาระอันหนักที่ท่านต้องทำซึ่งหาตัวแทนยาก ไม่เหมือนการสั่งสอนมนุษย์มนาที่ใครๆสั่งสอนก็พอรู้เรื่องกันนอกจากจะฟังและปฏิบัติตามหรือไม่เท่านั้นการเกี่ยวข้องกับเท พ, พเจ้าทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับท่านพระอาจารย์มัน่นฉะนั้นประวัติของท่านจึงมักมีเรื่องเกี่ยวกับเทพสับปนกันไปเสมอตามประสบการณ์ในสถานที่และเวลาต่างๆกันจนกว่าจะจบประวัติท่านเรื่องทนองนี้ถึงจะสิ้นสุดลง เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูงซึ่งเป็นอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานมีประชาชนและพระเ น, นครคเคารพนับถือท่านมากแทบทั่วประเทศไทยพอไปถึงก็เป็นเวลาที่ท่านกําลังส น, นทนธรรมอยู่กับพระสารสี่องค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านภายในวัดเราพลอยได้โอกาสเข้าผสมด้วยท่านแสดงอัธยาศัยด้วยความเมตตาอย่างยิ่งเราเริ่มส น, นทนธรรมภาคปฏิบัติขแขนงต่างๆ จนเตลิดไปถึงเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ท่านระยะนั้นท่านไปศึกษาอบรมอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ในภูเขาลึกห่างจากตัวอำเภอมากเดินด้วยเท้าปล่าเป็นวันๆจึงจะถึงอำเภอท่านเล่าให้ฟังหลายเรื่องซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ฟังแล้วสะดุดใจและเกิดความอัศจรรย์ชนิดบอกไม่ถูกแต่จะนํามาเล่าให้ท่านฟังเท่าที่เห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรนอกนั้นจึงขอผ่านไปตามที่เคยเรียนให้ทราบมาแล้ว ท่าเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นนอกจากจะเป็นที่แนวใจยอย่างยิ่งว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยปัจจุบันแล้วท่านยังมีคุณธรรมพิเศษหลายประการอีกด้วยทั้งหน้ากลัว ท, ทั้งหน้าเคารพทั้งหน้าเลื่อมใสทั้งทําให้เราระวังตัวอยู่ตลอดเวลาความรู้แปลกๆที่ท่านเล่าให้ฟังนั้นผมเองก็จําไม่ได้หมดผู้เขียนเรียนถามท่านว่าส่วนที่จําไม่ได้ก็สุดวิสยัยแต่ที่พอจําได้ ก็ขออาราธนาเล่าให้กระผมฟังบ้างพอได้ยึดไว้เป็นขวัญใจและเป็นที่ระลึกบูชาไปนานๆท่านพูดว่าก็เราคิดอะไรขึ้นมาภายในใจท่านรู้เอาเสียหมดจะว่าอย่างไรล่ะผมเองเหมือนถูกมัดไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยด้วยการระวังรักษาจิตถึงขนาดนั้นท่านยังเอาเรื่องความคิดของเราไปเทศให้เราและหมู่เพื่อนฟังจนได้แต่จิตผมก็รู้สึกว่าดีอยู่ไม่น้อยในระยะที่อยู่กับท่านนั้น เป็นแต่รักษาใจไม่ให้คิดไปทุกแง่ทุกมุมไม่ได้เท่านั้นเองใครๆก็ทราบว่าใจเป็นของเล่นเหมืออไรมันคิดได้ทั้งวันทั้งคืนใครจะไปทนตามท น, ท น, ทนห้ามมันหวาดไหวฉะนั้นจึงโดนท่านเทศเสียเรื่อยบางทีเราคิดและหลงลืมไปแล้วพอมาหาท่านท่านเทศเรื่องนั้นขึ้นเราถึงระลึกได้ว่าเราได้หลวงตัวคิดอย่างท่านว่าจริงๆอย่างนี้ท่านดูให้ท่านอาจารย์ด้วยหรือผู้เขียนถาม บางทีท่านดูเอาบ้างแต่บางทีแนะนำไปทีเดียวโดยยกเอาเรื่องที่เราคิดนึกฝันไปนั่นเองมาเป็นธรรมแสดงแก่เราเองบางครั้งก็มีพระไปนั่งฟังอยู่ด้วยเรานึกอายพระที่ไปได้ยินด้วยแต่ดีอยู่อย่างหนึง่งเวลามีพระไปนั่งฟังอยู่ด้วยนับแต่หนึ่งองค์ขึ้นไปท่านไม่ระบุชื่อผู้เป็นต้นเหตุคิดเป็นแต่อธิบายเรื่องความคิดนึกดีชั่วนั้นๆไปเรื่อยๆเท่านั้นท่านอาจารย์คิดอย่างไรบ้าง ท่านถึงได้ดูบ้างสั่งสอนบ้างผู้เขียนเรียนถามฟังแต่คำว่าผูุ้ชนเป็นไรมันหนายิ่งกว่าภูเขาหินและชนดะไปหมดไม่เลือกว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกมันคิดไปได้ทางนั้นพอดีกับเรื่องที่ควรดูท่านถึงได้ดูท่านอาจารย์กลัวท่านมากหรือเปล่าเวลาท่านดูผู้เขียนเรียนถามทำไมจะไม่กลัวตัวไม่สั่นแต่หัวใจมันสั่นอยู่ภายในบางทีแทบลืมหายใจก็ยังมี การรู้วาราจิตของผู้อื่นนั้นท่านรู้จริงๆผมไม่สงสัยเลยเพราะเรื่องมันบอกอยู่กับตัวเราทุกทุกอย่างที่คิดออกไปท่านตามเก็บเอามาเทศสอนเราซื้อสิน้นบางครั้งผมคิดว่าจะไปเที่ยวตามภาษาความโง่ของตนถ้าคิดตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามาไปทาพ่อวัดอุปถากท่านท่านก็เก็บเอาเทศทันทีที่ไปถึงท่านว่าท่านจะไปเที่ยวที่ไหนอีกที่นั้นไม่ดีสู้ที่นี้ไม่ได้ อยู่ที่นี่ดีกว่าทํานองนี้ทุกๆครั้งที่เราคิดปรากฏว่ามายอมให้ผ่านพ้นไปได้ท่านว่าอยู่ที่นี่สนุกฟังเทศดีกว่าอยู่ที่นั้นแล้วก็ไม่อนุญาตให้เราไปที่นั้นจริงๆด้วยเท่าที่สังเกตดูท่านคงเป็นห่วงเรามากกลัวจิตเราจะเสื่อมเสียและท่านก็พยายามอบรมอยู่ตลอดเวลาที่ผมกลัวท่านมากก็คือไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันพอราคนนวณ พิจารณาดูท่านโมไรก็ปรากฏเห็นท่านจ้องมองเราอยู่แล้วประนึ็นท่านไม่ยอมพักผ่อนเอาเลยบางคืนผมไม่กล้านอนเพราะมองดูท่านแล้วเหมือนท่านนั่งอยู่ตรงหน้าเราและเพ่งตาจับจ้องอยู่ที่เราทุกขณะเรากระโนดจิตออกไปขา้างนอกทีไรก็เห็นแต่ท่านมองดูเราอยู่แล้วฉะนั้นการเคลื่อนไหวทุกอาการจึงเป็นไปด้วยความสำรวมระวังอยู่เสมอเวลาไปบินทบาทตามหลังท่านต่างองค์ต่างระวังสำรวมใจไม่ให้พลังเผอออกนอกกายได้ ไม่เะนั้นขากลับออกมาถึงวัดหรื อ, อยังไม่ถึงด้วยซ้าในบางครั้งโดนเทศจนได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งกลางวันและกลางคืนต้องมีสติระวังตัวตลอดเวลาแม้เะนั้นยังมีเรื่องให้ท่านนำมาเทศจนได้และก็จริงดังที่ท่านเทศเสด้วยคือต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งที่อุปโลกไปคิดเรื่องขึ้นมาให้ท่านจาต้องนามาเทศบางครั้งขณะนั่งฟังเทศได้ยินเสียงท่านเทศดุเรื่องแปลก ซึ่งเราเองไม่ได้คิดทะนองนั้นพอเลิกประชุมฟังเทศแล้วออกมากระซิบถามกันว่าวันนี้ท่านเทศถูกใครบ้างเสียงเทศรู้สึกชอบคนต้องมีองค์หนึ่งสารภาพตัวให้เราฟังจนได้ว่าวันนี้ท่านเทศถูกผมเองเพราะผมอุตริไปคิดอย่างนั้นจริงๆดังนี้แต่อยู่กับท่านรู้สึกดีมากเพราะมีสติอยู่กับตัวแทบตลอดเวลาเนื่องจากกลัวท่านท่านเล่าว่าขณะไปถึงเชียงใหมท่ทีแรกและเข้าไปพักวัด ได้ไม่ถึงชั่วโมงเห็นรถยนต์วิ่งเข้ามาในวัดที่ผมพักอยู่และตรงเข้ามาจอดที่นากุติผมพอดีพอมองลงไปเป็นท่านพระอาจารย์มั่นผมก็รีบลงไปต้อนรับท่านและเรียนถามถึงเรื่องการมาของท่านท่านก็บอกทันทีว่าผมก็มารับท่านนั่นเองเพราะทราบว่าท่านจะมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเราเรียนเราเรียนถามท่านว่ามีใครเล่าถวายท่านอาจารย์หรือว่ากระผมจะมาจากจะมาที่เชียงใหม่ ท่านตอบว่าใครจะบอกหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าทราบและอยากมาก็มาเองได้ดังนี้พอได้ยินคำนั้นแล้วจิตผมเริ่มนึกกลัวขึ้นมาและยังทำให้เรานึกพิสดารไปต่างๆซึ่งจะทำให้กลัวท่านมากขึ้นเวลาประยู่กับท่านจริงๆเรื่องก็เป็นดังที่คิดไว้ทุกประการขณะประชุมฟังเทศถ้าใจาคิดเป็นธรรมแบบสละทิฐิมานะสีจริงๆก็รู้สึกสนุกเพลิดเพลินในธรรมท่านเพราะท่านเทศเป็นธรรมล้วน ทำให้จิตใจเพลิดเพลินไปตามยิ่งกว่าอะไรที่เคยผ่านมาถ้าจิตไม่คอยเป็นธรรมและหาผามโลกไปทับถมท่านจะได้ยินเสียงเพศเป็นไฟไปทีเดียวและผู้ฟังแบบหักแบบหามโลกไปหาท่านก็รู้สึกร้อนเป็นไฟไปเช่นเดียวกันทางนี้ท่านไม่ได้สนใจว่าการเทศจะไปโดนกิเลสของใครเข้าตรงไหนที่มีเรื่องมีกิเลสชุกชุมมากท่านจะพุ่งธรรมเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมแสดงไปที่อื่นเลย บางครั้งถึงกับระบุตัวบุคคลออกเลยว่าคืนนี้ท่านองค์นี้ภาวนาทําไมอย่างนั้นนั่นมันไม่ถูกที่ถูกต้องทําอย่างนั้นและเมื่อชาวนี้ท่านองค์นี้คิดอะไรอย่างนั้นถ้าไม่อยากจีบหายเพราะการทําลายตัวด้วยความคิดประเภทสังหารนั้นแล้วอย่าหันคิดต่อไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้คิดให้ทําทําไมไม่คิดไม่ทําแหวกไปคิดหาอะไรอย่างนั้นที่นี่เป็นสถานที่อบรมศีลธรรม เพื่อแก้ความเห็นผิดคิดผิดมิใช่สถานที่สั่งสมความคิดเพื่อก่อไฟเผาตัวทํานองที่คิดนั้นผู้ที่ยอมรับความจริงทางใจจะรู้สึกเย็นสบายท่านเองก็ไม่ค่อยว่าอะไรสำคัญที่มีอะไรไปตะกิจตะขวงใจท่านอยู่ภายในอย่างลึกลับนั้นรู้สึกจะเหมือนเอาไฟไปเผาโดนท่านและจะได้ยินคำแปลกๆออกมาทันทีแต่ถ้าผู้นั้นรู้สึกตัวรีบแก้ไขความคิดเห็นสมัยก็ไม่มีอะไรต่อไปอีก เรื่องก็สงบไปคืนหนึ่งมีพวกชาวเขาพูดกันว่าตุเจ้าหลวงคือพระอาจารย์ใหญ่ที่มาพักอยู่กับพวกเราท่านจะมีคาถากันผีขับไล่ผีหรือเปล่าก็ไม่ทราบ พ, พรุ่งนี้พวกเราลองพากันออกไปขอท่านดูท่านจะพอมีให้พวกเราบ้างไหมพอตื่นเช้ามาท่านอาจารย์มั่นก็รีบบอกกับพระทันทีว่าคืนนี้นั่งภาวนาอยู่ได้ยินพวกชาวเขาในหมู่บ้านนี้พูดกันว่า พวกพระเราจะมีคาถากันผีไล่ผีบ้างไหมเขาจะมาขอคาถานั้นกับพวกเราถ้าเขามาขอคาถาดังที่ว่านั้นให้เอาคาถาพุโทโธธรรมโอสังโฆให้เขาไปภาวนาคาถานี้กันผีดีนักผีในโลกนี้กลัวแต่พุโทโธธรรมโอสังโฆเท่านั้นไม่มีผีตัวใดจะกล้าต่อสู้กับธรรมเหล่านี้ได้พอตอนเช้าพวกชาวเขาพากันมาจริงๆดังที่ท่านบอกไว้และพร้อมกันมาขอคาถากันผีไล่ผีกับท่านจริงๆ ท่านก็บอกคาถาพุโทโธธรโมสังโฆให้แก่เขาไปโดยบอกวิธีทำให้เขาคือนึกพุโทโธธรรมโสังโฆบทใดบทหนึ่งไว้ในใจและบอกว่าผีกลัวนักหนาพอเขาได้พุโทโธธรโมสังโฆไปแล้วต่างก็เริ่มทำพิธีกันผีตามที่ท่านสั่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าท่านในเขาภาวนาพอเขาพากันทำแบบที่ท่านสั่งสอนใจเลยเลยรวมสงบลงเป็นสมาธิในขณะนั้น รุ่งเช้าเขาก็รีบออกมาหาท่านและเล่าอาการที่เป็นให้ท่านฟังท่านบอกว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วผีแถวๆนี้จะต้องกลัวและพากันวิ่งหนีหมดอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้เพราะทำของพวกแกแกกล้าแล้วต่อไปพวกแกไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วแม้พวกที่ภาวนากันผียังไม่เป็นผีก็เริ่มกลัวอยู่แล้วจากนั้นท่านสอนให้เขาทาทุกวัน ตามปกติคนชาวเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตมาดั้งเดิมจึงสั่งสอนง่ายอยู่บ้านเขาพากันทำทุกวันอย่างเอาจริงเอาจังต่อมาไม่ช้าคนในบ้านนั้นบางคนภาวนาเป็นจริงๆ จ, จนจิตเกิดความสว่างสวยสามารถรู้จิตใจของคนอื่นได้ตลอดจิตพระที่อยู่ในวัดเช่นเดียวกับคนบ้านเสือเย็นที่กล่าวผ่านมาแล้วเวลาเขาออกมาวัดมาเล่าเรื่องภาวนาให้พระอาจารย์ฟัง และเรื่องที่จิตสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆอย่างน่าจับใจนั้นพระในวัดเกิดความอัศจรรย์และกลัวเขาจะรู้เห็นจิตของตัวที่คิดไปต่างๆพระบางองค์ที่มีนิสัยขี่ขลาดแต่อยากรู้เรื่องต่างๆอดทนไม่ได้พอถามเขาเขาก็รอให้ฟังตามเป็นจริงยังทนต่อความอยากถามไม่ได้อีกพยายามแคค ไ, ไล่เบี่ยสอบถามเขาเข้ามหาเรื่องของตัวโดยจะขาดทุนก็ไม่ยอมรู้สึกตัว เรากับใจมีฟาปิดไวร้อยชั้นอย่างมิชิดไม่มีอะไรจะสามารถเอื้อมเข้าไปสัมผัสแต่ต้องได้พอถามเขาเขาก็บอกอย่างตรงไปตรงมาตามภาษาของคนป่าซึ่งไม่สนใจกับสังคมว่านิยมกันอย่างไรพระที่ฟังแล้วชอบใจว่าถูกกัะผมด้อยของตัวและกลัวในเวลาคิดปรุงไปต่างๆว่าเขาจะรู้ทํานองที่เขาเคยรู้แล้วนั้นนอกจากเขาจะรู้สิ่งต่างๆดังที่ว่านั้น เขายังพูดกับท่านพระอาจารย์มั่นอย่างหน้าตาเฉยได้ ว, ว่าจิตตุเจ้าหลวงเฮาก็หูกา้าอย่งเล็บเรารู้ครับเพราะเฮาดูและคู้จิตตุเจ้าหลวงก่อนเคยใครท่านก็ถามบ้างว่าจิตเราเป็นอย่างไรกลัวผีไหมเขายิ้มแล้วก็ตอบท่านว่าจิตของตุเจ้าหลวงหมดดวงสมุติแล้วเหลือแต่นิพพานในร่างมนุษย์อย่างเดียวและไม่กลัวอะไรเลย จิตตัเจ้าวิเศษสุดแล้วเรื่องผีสางอะไรเขาเลยไม่กล่าวถึงแม้คนในบ้านนั้นก็หันมาเรื่มสายสาศาสนาและท่านพระอาจารย์มั่นเสียหมดไม่สนใจกับผีกับสางอะไรอีกต่อไปเพราะคนที่ภาวนาเก่งคนนั้นเป็นผู้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเรื่องของาศาสนาและเรื่องของท่านพระอาจารย์อยู่ทุกวันเวลาใส่บาตรเขาพร้อมกันมารวมส่ในที่แห่งเดียวพอเสร็จจากการใส่บาตรเวลาจะอนุโมทนา ท่านพระอาจารย์บอกให้เขาพร้อมกันสาธุดังๆเพื่อเทวดาจะได้อนโมทนาด้วยเขาจะมีส่วนบุญกับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเขาเชื่อท่านพร้อมกันสาธุดังๆทุกวันที่ท่านให้เขาสาธุดังๆนี้ทราบว่าเวลากลางคืนยามดึกสงัดมักมีเทวดามาเยี่ยมและฟังเทศท่านเสมอบางพวกก็บอกว่าได้ยินเสียงสาธุดังไปถึงเขาเขาจึงทราบว่า พระคุณเจ้าพักอยู่ที่นี่ถึงได้พากันมาเยี่ยมตามธรรมดาทุกครั้งที่พวกเทพมาเยี่ยมจะต้องมีหัวหน้านํามาเสมอและพวกเทวดานั้นๆก็มีภูมิที่อยู่ต่างๆกันบางพวกก็เป็นพวกเทวดามาจากที่ใกล้บ้านไกลบ้านบางพวกก็เป็นพวกเทวดาบนสวรรค์ชั้นนั้นๆดังที่แสดงไว้ในตําราก่อนเวลาก่อนเวลาเขาจะมาในคืนใด คืนนั้นท่านต้องทราบลระงค์นาไว้ก่อนเสมอว่าเขาจะมาประมาณตีสองหรือตีสามท่านก็พักผ่อนเสียก่อนพอจนถึงเวลาก็ลุกขึ้นเข้าที่คอยต้อนรับถ้าทราบว่าเขาจะมาราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งท่านก็เข้าที่คอยต้อนรับแต่การเข้าที่คอยนั้นมีสองประเภทคือภาวนาไปตามลาพังจนจิตลงสู่ความสงบแล้วพักอยู่หนึ่ง พอควรแก่การแล้วถอนขึ้นมาอยู่ระดับพอดีกับภูมิของแขกจะรับทราบกันได้หนึ่งถ้าแขกยังไม่มาก็ดีกําลังมาก็ดีหรือมารออยู่ก่อนแล้วก็ดีย่อมรับทราบกันได้กับจิตที่อยู่ในระดับนี้มีอะไรก็สนทนากันไปจนกว่าจะยุติลงด้วยเหตุการณ์อันควรถ้าจิตลงไปอยู่ในสมาธิเสียจริงๆภูมิของแขกที่มาเยี่ยมก็เข้าไม่ถึงถ้าถอนออกมาเป็นจิตธรรมดาเสีย หากิตไม่มีความชำนาญในทางนี้จริงๆก็ไม่อาจรัรบทราบไปในทุกระยะกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้ทราบได้ก็ไม่ถนัดเหมือนจิตที่อยู่ในขั้นเตรียมรับฉะนั้นจิตที่อยู่ภูมิอุปจาระคืออยู่ที่ปากประตูจึงเป็นภูมิที่เหมาะกับเหตุการณ์แทบทุกกรณีท่านพระอาจารย์มั่นทานเชียวชาในทางนี้มานานเริ่มแต่สมัยท่านพักอยู่ถ้ำสาริกานครนายกเป็นต้นมาซึ่งระยะนั้นทราบว่า ท่านได้ยี่สิบสองพรนสาจากนั้นมาจนถึงวันท่านมรณภาพพรรษาก็ร่วมหกสิบแล้วท่านจึงมีความชำนิชำนาญในทางนี้มากโลกมนุษย์เราต่างก็มีใจเป็นของคู่ควรกับสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกับท่านที่สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้แต่ยังไม่ค่อยมีผู้สามารถปฏิบัติจนรู้เห็นได้อย่างท่านพอเป็นพยานแก่ตัวเองแม้ไม่มากเหมือนท่านที่เขี่ยวชาญ น, นอกจากไม่เห็นแล้ว ยังอาจเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในโลกสมมติอีกด้วยจึงเป็นเรื่องลำบากที่จิตไม่มีระดับความพอดีเป็นธรรมเครื่องอยู่ถ้าจิตมีความสามารถด้วยการปฏิบัติตนตามหลักธรรมซึ่งเป็นหลักรับรองความรู้จริงเห็นจริงเท่าที่ควรแล้วสิ่งที่ได้รู้ด้วยใจยอย่างประจักแล้วแม้คำคัดค้านทั้งแผ่นดินว่าไม่จริงมลพังก็เป็นคาคัดค้านที่เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวง สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความจริงของผู้รู้จริงเห็นจริงนั่นแลไม่มีสิ่งใดจะสามารถมาลบล้างได้เพราะความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับคำเสกสรรและตีชมใดๆนอกจากเป็นสิ่งที่จริงอยู่อย่างตายตัวตามหลักธรรมชาติเท่านั้นตามป่าตามเขาของอำเภอต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้ท่องเที่ยวซอกแสกทุกซอกทุกมุมกว่าจังหวัดอื่นๆเพราะท่านอยู่ที่จังหวัดนั้นมาหลายปี และนานคนที่อื่นๆการบําเพ็ญธรรมก็สะดวกความรู้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็มีมากกว่าที่อื่นๆท่านว่าท่านอยู่ที่เชียงใหม่นานเพราะเหตุหลายประการคือสถานที่บําเพ็ญเหมาะสมมากหนึ่งชาวป่าผู้มีภูมิจิตที่น่าสงสารควรอนุเคราะห์มีอยู่มากความผิดปกติของคนในเขาที่มีจํานวนน้อยซึ่งควรได้รับการอบรสมส่งเสริม เพื่อความมั่นคงต่อไปดีกว่าจะปล่อยชิ้งไว้อันอาจมีการเสื่อมถอยลงได้หนึ่งและเพื่อสงเคราะห์พวกเทวดาทั้งหลายหนึ่งพวกกายทิพย์นี้ชอบมาถามปัญหาและฟังเทศท่านเสมออย่างน้อยวันพระละสองครั้งนอกจากนั้นยังมีพวกนาพาบริวารมาฟังทำท่านอยู่เสมอเช่นกันท่านว่ากลางคืนท่านไม่ค่อยว่างจากการรับแขกจำพวกกายทิพย์เลย บางคืนพวกเทพจากเบื้องบนชั้นนั้นมาเยี่ยมบางคืนพวกรุกขเทพมาเยี่ยมบางคืนพวกพญานาคมาเยี่ยมพวกเทพเบื้องบนชั้นนั้นมาแต่ละครั้งหัวหน้าเขาประกาศให้ท่านและเทวดาทั้งหลายทราบก่อนจะถามปัญหาและฟังธรรมว่ามีจำนวนหมื่นบ้านแสนบ้านพวกรุกขเทพมาแต่ละครั้งหัวหน้าประกาศว่ามีจปปานวนพันบ้านหมื่นบ้าน พวกพญานาคพาบริวารมาแต่ละครั้งประกาศว่ามีจานวนห้าร้อยบ้างหนึ่งันบ้าทเวลาท่านลงเดินจงกรมตอนเย็นจิตจะรับทราบความนัดหมายแห่งการมาของพวกเทพเหล่านั้นแทบทุกเย็นบางครั้งก็ปรากฏเอาเวลาเข้าทีภาวนาว่าเทวลาชันนั้นจะมาเยี่ยมเวลาเท่านั้นชั้นนั้นจะมาเวลาเท่านั้นลุคเทพพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นและพวกนั้นจะมาเวลาเท่านั้นพวกนาจะมาเวลาเท่านั้น บางคืนมีถึงสองสามพวกท่านต้องนัดเวลามาให้มาตรงกันโดยพวกหนึ่งนัดให้มาราวห้าทุ่มบ้างพวกหนึ่งนัดให้มาราวหกทุ่มบ้างอีกพวกหนึ่งนัดให้มาราวเจ็ดทุ่มบ้างตามแต่เห็นควรไม่ให้เวลาตรงกันเพราะพวกเทพแต่ละชั้นละภูมิมีพื้นเพทางจิตใจและธรรมที่ควรแก่ตนต่างกันพวกหนึ่งมาต้องการฟังธรรมประเภทหนึ่งอีกพวกหนึ่งต้องการฟังธรรมอีกประเภทหนึ่ง เพื่อความเหมาะสมกับภูมิของเทวดาที่มีประเภทต่างๆกันท่านจำต้องนับให้มาในเวลาต่างกันเพื่อสรวกแกการสแสดงและการฟังทั้งสองฝ่ายเพราะความจำเป็นดังกล่าวนี้ทำให้ท่านพักอยู่ที่เชียงใหม่นานเฉพาะพวกเทพทั้งเบื้องบนเบื้องล่างปรากฏว่ามาเกี่ยวข้องกับท่านเป็นประจำยิ่งกว่ามนุษย์และนาครุษพูดผีทั้งหลายทั้งนี้เนื่องจากผู้เขาถึงจะพกกายทิพย์ในทางจิตใจมีจานว น, นน้อยมาก จึงเป็นความจำเป็นมากในการทําประโยชน์แก่พวกเทวดาแม้เทวดาเองก็เคยพูดกับท่านแล้วแทบทุกจาพวกเกี่ยวกับผู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกับพวกเทวดาและไม่สนใจว่าเทวดาก็เป็นกําเนิดชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในโลกอยู่อาศัยตามคำของตนและมีความหวังในสิ่งที่พึงพอใจเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่ ว, วไปฉะนั้นเทวดาจึงไม่มีความหมายสําหรับมนุษย์ประเภทดังกล่าวนั้นเมื่อมาพบท่านผู้ทรงคุณธรรมอันสูงสุด ที่มีญาณอย่างทราบว่าสัตว์เป็นสัตว์คนเป็นคนเทวดาเป็นเทวดาและอะไรเป็นอะไรไม่ปฏิเสธอันเป็นการให้เกียรติแก่ภพ ก, กําเนิดของสัตว์ น, นั้นๆเช่นนี้ซึ่งนานๆจะเจอสัตว์ครั้งหนึ่งจึงอดที่จะเกิดความปิติยินดีอย่างทราบซึ่งไม่ได้และพากันมากราบไหว้ถามปัญหาข้อคงใจและฟังธรรมเสมอเพื่อดื่มโอชารสพระสัตธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงเชิดชูจิตใจความเป็นอยู่แห่งภพชาติของตน มีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังนั้นเทวดาทั้งหลายจึงเคารพเลื่อมสายท่านผู้มีคุณธรรมสูงมากทั้งรู้เรื่องและเห็นอกเห็นใจพวกเทวดาว่าเป็นสัตว์ที่มีความหวังอะไรๆที่เป็นสิริมงคลแก่ตนและมีความหมายเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไปท่านลาวาสัตว์จำพวกกายทิพย์ในกําเนิดต่างๆที่พอมีทางตเกียกตะกายช่วยตัวเองได้มาติดต่อเกี่ยวข้องกับท่านเพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ มีจำนวนมากกว่ามนุษย์หลายเท่าแต่เป็นสิ่งลี้ลับสำหรับพวกเราผู้ยังไม่สามารถรู้เห็นได้ในทาง จ, จิตใจสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาต่อสังคมมนุษย์ชนิดไม่มีทางแก้ให้ตกได้แต่ทั้งนี้มิได้เป็นอุปสรรคต่อการรู้เห็นของทุกรายไปผู้มีความสามารถในทาง จ, จิตใจสิ่งเหล่านี้ย่อมกลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องธรรมดาทั่วๆไปที่มนุษย์สามารถสาหรับท่านพระอาจารย์มั่น รู้สึกจะถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านจึงสามารถทําหน้าที่เกี่ยวกับพวกกายทิพตตลอดมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่านจําเป็นต้องมีการเกี่ยวข้องเสมอในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากท่านเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ท่านว่าท่านได้ทําการเกี่ยวข้องกับพวกกายทิพตที่มีพบภูมิ ต, ต่างๆกันมากกว่าที่ทั่วไปโดยที่สัตว์จํ า, าพวกเหล่านี้ส่วนมากชอบมาติดต่อกับท่านขณะที่พักอยู่ในที่เปลี่ย ว, ยวอันสงัด ปราศจากผู้คนพลุกพล่านหรือสัญจรไปมาประกอบกับเชียงใหม่เป็นทาเลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะมีป่ามีเขามากท่านเองขณะพักอยู่ที่เช่นนั้นก็มีเวลาว่างจากภาระภายนอกมากกว่าที่อื่นๆจึงเป็นโอกาสที่พวกกายทิพย์จะเข้าถึงได้ง่ายเทวดาประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่านนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เรื่องหนึ่ง ในบรรดาเรื่องที่เกี่ยวกับเทวดาที่ท่านเคยสงเคราะห์เรื่อยมาเทวดาพวกนี้มาจากประเทศเยอรมันมาขอฟังเทศท่านขณะที่พักอยู่หมู่บ้านอีกอ็กับพวกมูเซอร์ในเขาลึกโดยเขาแสดงความประสงค์ออกมาเลยว่าอยากฟังเทศชัยชนะคาถาท่านกำหนดหาบทธรรมที่ตรงกับความต้องการของเขาธรรมก็ผุดขึ้นมาภายในว่าอโกเทนะจิเนโกทังเป็นต้น บอกความหมายขึ้นมาพร้อมและแสดงให้พวกเทวดาฟังว่าทำนี่แลเป็นยอดแห่งธรรมที่ผูหวังความชนะจะพึงเจริญให้มากโลกที่มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อการตลอดมาก็เพราะธรรมนี้เป็นเครื่องปราบปรามความชั่วทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นให้เสื่อมสิ้นอำนาจในการทำลายสังคมมนุษย์และเทวดาทั้งหลายทำให้โลกมีความเจริญและสงบสุขโดยทั่วกันเทวดาคนมีธรรมนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประสานกัน โลกถ้าขาดชัยชนะธรรมนี้แล้วอย่างน้อยก็เกิดความไม่สงบสุขมากกว่านั้นก็สังหารทําลายกันให้ฉิบหายย่อยยับโดยท่ายเดียวโลกจะเอาความโกรธแค้นมาปราบปรามฆ่าศึกทั้งภายในภายนอกทั้งใกล้และไกลทั้งวงแคบและวงกว้างด้วยความโกรธแค้นอันเป็นของไม่ดีและเป็นเครื่องทําลายตนและผู้อื่นจึงไม่มีทางสําเร็จได้ตลอดการถ้าขืนปราบด้วยความโกรธแค้มากขึ้นเพียงไรโลกก็ยิ่งจะเป็นไฟประไลกัน เขาพรานกันให้ย่อยยับจนไม่มีอะไรเหลืออยู่เพียงนั้นเพราะความโกรธแค้นเป็นไฟยอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่นําไปทําการหุงต้มอะไรไม่สําเร็จทางสําเร็จของมันก็คือทําโลกให้วอดไวายไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นผู้ต้องการให้โลกยังคงเป็นโลกที่มีความหมายและน่าอยู่จึงควรเห็นโทษของความโกรธแค้นอันเป็นเครื่องทําลายนี้ว่าเป็นไฟมหาวินาศไม่ควรนํามาใช้ จะเป็นการก่อไฟเผาตนและผู้อื่นให้เป็นไฟไปตามๆกันโลกอยู่ได้ด้วยเมตตาคือความเอ็นดูสงสารกันทุกตัวสัตว์ที่มีชีวิตครองตัวอยู่ไม่พึงเบียดเบียดทำลายกันด้วยความโกรธแค้นหรือด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องซึ่งไม่มีประมาณแห่งความอิ่มพอและไม่มีทางสิ้นสุดแห่งการทำลายกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษของมันด้วยพระปัญญาอันแหลมคมให้มีทางสงสยัยและทรงเห็นคุณในความเมตตาว่า เป็นทําอ่อนโยนและสมัครสมานรักใคร่ไม่ตีต่อกันระหว่างสัตว์โลกทุกชั้นทุกภูมิซึ่งมีความรักสุขเกลียดทุกเสมอหน้ากันจึงประทานไว้เพื่อความมั่นคงแห่งสันติสุขแก่โลกตลอดกาลนานหากเมตตาธรรมยังมีในใจของสัตว์โลกอยู่ตราบใดโลกยังจะมีความยังจะมีหวังความสุขความสมหวังอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าเมตตาได้ห่างเหินจากใจของสัตว์โลกกาลใด การนั้นแม่สัตว์โลกจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคนานาชนิดอย่างพึงพอใจก็ตามแต่จะไม่มีความสงบสุขตกค้างอยู่ในวงสัตว์โลกนั้นๆเลยส่วนที่ได้รับจะมีแต่ความเดือดร้อนขุ่นเครื่องไปทุกจมย่าดังนั้นเมื่อเราทราบอยู่แก่ใจว่าทำเป็นธรรมและเป็นเครื่องนำความเจริญมาสู่ตนและทราบอยู่ว่าโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเผาอยู่ในดวงใจเหมือนไฟลุกพร่งอยู่ได้เชือ้อ คอยแต่จะสังหารทำลายสิ่งต่างๆให้ย่อยยับดับสูญลงไปทุกเวลานาทีเช่นนี้จึงควรเร่งบำเพ็ญตนให้พ้นภัยไปเฉพาะหน้าซึ่งยังควรแก่วิสัยพอจะทำได้หากการอันควรผ่านไปแล้วจะเสียใจยภายหลังเพราะโลกนี้คือโลกอนิจจงและตั้งอยู่บนร่างกายและ จ, จิตใจของคนและสัตว์ไม่เหลือหนานี่เป็นใจความย่อแห่งชยชนะคาถาที่ท่านแสดงแก่เทวดาที่มาจากประเทศเยอรมันฟังพอจบเทศนา เทวดาสาธุการสามครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเสร็จแล้วท่านถามเขาว่าทำไมเทวดาอยู่ถึงประเทศเยอรมันซึ่งชาวมนุษย์ถือว่าไกลแสนไกลจึงทราบเลยว่าอาตมาพักอยู่ที่นี่เขาตอบว่าสำหรับท่านแล้วจะอยู่ที่ไหนขเขาก็ทราบกันทั้งนั้นอีกประการหนึ่งเทวดาในประเทศไทยเคยไปมาหาสู่กับเทวดาในประเทศเยอรมันไม่ได้ขาดพวกเทวดาไม่ได้ถือว่าประเทศไทยกับประเทศเยอรมัน หรือประเทศใดๆอยู่ห่างกันเหมือนที่พวกมนุษย์เข้าใจกันแต่ถือว่าเป็นประเทศเขตแดนที่พวกเทวดาไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพราะไม่ได้ไปด้วยเท้าหรือด้วยยานพาหนะดังมนุษย์ทั้งหลายไปกันแต่เทวดาเหาะลอยไปด้วยลิศเหมือนกระแสจิตที่ส่งไปในที่ต่างๆเพียงขณะเดียวก็ถึงจุดที่หมายการไปมาของเทวดาจึงสะดวกกว่าชาวมนุษย์อยู่มากท่านว่า เทวดาประเทศเยอรมันมาฟังเทศท่านเสมอเช่นเดียวกับพรกเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ในที่ต่างๆของเมืองไทยมาฟังเทศท่านบ่อยๆฉะนั้นความเคารพของเทวดาไม่ว่าชั้นบนชั้นล่างมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือเวลาคำามาเยี่ยมท่านในสถานที่ที่มีพระอยู่กับท่านเทวดาจะไม่เข้ามาด้านที่มีพระอยู่นั่นเลยหนึ่งมายามดึกสงัดเวลาพระท่านพักจมวัดหนึ่งมาถึงแล้ว พร้อมกันทำประทักศินสามรอบหนึ่งมีความสงบเสงเิมโดยโดยทั่วกันหนึ่งเวลาจะจากไปพร้อมกันทําประทักศินสามรอบก่อนแล้วค่อยๆเดินถอยห่างออกไปพอเห็นว่าพ้นเขตที่พักท่านอันเป็นที่ควรเคารพแล้วต่างค่อยเหาะลอยขึ้นบนอากาศเหมือนสําลีฉะนะหนึ่งเทวดาทั้งหลายทําความเคารพท่านโดยอาการอย่างนี้ท่านอยู่ในเขาจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่บำเพ็ญสะดวกทั้งกลางวันกลางคืนท่านมีความรื่นเริงในทิฏฐธรรมสุขวิหารคือทำเป็นเครื่องอยู่สบายในเวลาขันยังครองตัวอยู่การนั่งสมาธิภาวนาเป็นไปตามเวลาที่ต้องการไม่มีสิ่งมาเป็นอุปสรรคทำให้ขาดวักขาดตอนท่านมีความสุขกายสบายใจมากการสงเคราะห์ผู้มาเกี่ยวข้องนั้นในเวลากลางคืนก็เป็นพวกเทวดาซึ่งมีภูมิละเอียดตามคตินิสัยอยู่แล้วจึงไม่เป็นภาระกังวลมากในการต้อนรับ และการสงเคราะห์ด้วยธรรมที่เกี่ยวกับประชาชนก็มีบ้างเป็นบางการเช่นตอนบ่ายหรือเย็นส่วนพระของท่านเองถ้าวันจะมีการประชุมท่านก็นับให้เองตามที่เห็นควรเช่นหนึ่งทุ่มเป็นต้นโดยมากก็เป็นผู้มีภูมิจิตสูงนับแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาเป็นขั้ น, นทั้งเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมและฟังกันแบบบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อมรรคผลนิพพานในขณะฟังจริง การแสดงธรรมแก่ผู้มีภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันและสูงขึ้นไปตามลำดับลำดาเช่นนั้นท่านก็นแสดงธรรมไปตามลำดับภูมิน่าแต่ภูมิสมาธิขึ้นไปหาภูมิปัญญาเป็นขั้นๆจนถึงขั้นละเอียดสุดคือวิมุตติผลพ้นแทบทุกครั้งผู้มีภูมิจิตนั่งฟังท่านอธิบายธรรมภาคต่างๆทางําให้จิตเพลิดเพลินไปตามธรรมขั้นนั้นๆจนลืมตัวและลืมเวลาปกติท่านเทศสอนพระล้วนๆทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนา กว่าจะยุติก็กินเวลาไม่ต่างกว่าสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ผู้ฟังไม่ได้สนใจกับเวลาเวลายิ่งไปกว่าสนใจไปตามกระแสธรรมที่ท่านกําลังแสดงไปเป็นระยะๆในเวลานั้นขณะฟังถ้าจิตของผู้ฟังอยู่ในระดับใดก็ได้กําลังเพิ่มระดับเดิมของตนขึ้นเป็นลําดับในทุกครั้งที่รับการสดับธรรมฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติด้วยความสํารวมระวัง และทดสอบจิตไปตามขณะที่ฟังจึงจัดเป็นความเพียนสําคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการทําความเพียนในอิริยาบทและความเพียรภาคอื่นท่านผู้แสดงก็มีความมุ่งหมายอยากให้ผู้ฟังได้รู้เห็นความจริงตามธรรมที่แสดงออกทุ ก, กระยะไปเช่นเดียวกันและแสดงไปตามความคิดนึกความแสดงออกของจิตทั้งที่เป็นฝ่ายสมุทยัยและฝ่ายมากของผู้ฟังจริงๆเพื่อให้รู้ทั้งโทษและคุณที่ควรละและควรจเจริญให้ยิ่งขึ้นไป ในขณะที่นั่งฟังยิ่งกว่าคณะอื่นใดในเวลานั้นผู้มีสติจดจ่อต่อจิตซึ่งเป็นที่รวมของธรรมไม่ให้ส่งไปที่อื่นย่อมได้รับความสงบตามขั้นสมาธิและได้อุบายต่างๆตามขั้นของปัญญาที่สามารถไตรตรองตามธรรมซึ่งท่านกําลังแสดงในขณะนั้นผู้ที่ควรผ่านไปได้ในขณะฟังก็ผ่านไปเป็นพักๆ ฟ, ฟังคราวนี้ได้อุบายอย่างหนึ่งขึ้นมาฟังคราวหน้า ได้อุบายอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานับเป็นการเพิ่มสติปัญญาด้วยการฟังอยู่เสมอกิจย่อมเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิทุกขัน้นและปัญญาทุกภูมิเป็นลําดับจนสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการปฏิบัติและการฟังที่ผู้แสดงเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและแสดงถูกต้องกับจุดความจริงที่กําลังเป็นไปในผู้ปฏิบัติที่มาอบรมศึกษาฉะนั้นการฟังสําหรับพระสรงฆ์กรรมฐานจึงถือเป็นกิจจาเป็นทางภาคปฏิบัติ เช่นเดียวกับการปฏิบัติภาคอื่นๆเสมอมาจะห่างเหินต่อการฟังย่อมไม่ได้เมื่อครูอาจารย์ผู้สามารถทางจิตใจมีอยู่ด้วยเหตุนี้พระธุดงค์ผู้มุ่งอัตธรรมอย่างแท้จริงจึงชอบสแสวงหาครูอาจารย์ผู้คอยแนะนําทางจิตตภาวนาเป็นนิสัยและเคารพรักในอาจารย์มากหวังพึ่งเป็นพึ่งตายด้วยจริงๆท่านให้อุบายแนะนําอย่างไรย่อมเข้าถึงใจจริงๆ และนําไปไข่ครวรและปฏิบัติตามเต็มสติกําลังของตนถ้ายังมีแง่สงสัยหรือมีข้อสงสัยที่เกิดจากการภาวนาในแง่ใดบ้างก็มาขอคําแนะนําจากท่านอีกแล้วนําไปปฏิบัติเป็นอาจินฉะนั้นครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทางกิตตภาวนามีอยู่หน้าที่ใดพระธุดงค์กรรมฐานจึงมักไปรุมล้อมอยู่กับท่านณที่นั้นดังท่านพระอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สาวเป็นตัวอย่างทั้งสององค์นี้ นับว่ามีลูกศิษย์ที่เป็นพระสูต์จำนวนมากเป็นพิเศษในภาคอีสานแต่เวลาที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เชียงใหม่นั้นท่านตั้งใจปลีกองค์จากหมู่คณะออกบาเพ็ญเป็นพิเศษไม่ต้องการความยุ่งเหยิงวุ่นวายจากภาระต่างๆมีการอบรมสั่งสอนเป็นต้นเพื่อเร่งความเพียรให้ถึงจุดที่หมายและเพื่อความอยู่สบายในทิฏธรรมแม้เช่นนั้นก็จําต้องได้รับภาระในการอบรมสั่งสอนประชาชนและพระเนร์นอยู่โดยดี ดังที่รู้รู้กันอยู่ทั่วไปว่าท่านมีลูกศิษย์ทั้งบรรพชิตและคราวญชนวนมากมายในประเทศไทยก่อนหน้าที่ท่านจะปลีกจากหมู่คณะไปบําเพ็ญอย่างเด็ดเดียวแต่ผู้เดียวที่เชียงใหม่ท่านเคยพูดเสมอว่าเวลานี้กําลังท่านยังไม่เพียงพอทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นท่านจึงได้ปลีกออกไปตามเจตนาเดิมที่พูดไว้และบําเพ็ญเต็มกําลังจนสิ้นความสงสัยทางกิตใจทุกด้านดังที่เคยกล่าวผ่านมาบ้างแล้ว จากนั้นมาท่านไม่เคยพูดอีกเลยว่ากําลังไม่พอครั้งหนึ่งท่านเดินทุดงไปในเขาด้วยกันสามองมีท่านพระอาจารย์ขาวกัวทถมกลองเพนอุดรธานีและท่านพระอาจารย์มหาทองสุกวสุทาวาสกุนครติดตามไปด้วยพอไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขาก็อเผอิญไปเจอช้างยายเชือกหนึ่งที่เจ้าของเขามาปล่อยทิ้งไว้แล้วหนีไปไหนก็ไม่ทราบเห็นแต่ช้างที่เอาหากินอยู่ปากช่องขึ้นเขา งานของมันยาวเกือบว่าเห็นแล้วน่ากลัวพิลึกท่านปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรทางก็จำเพาะมีเท่านี้มันมีที่พอปลีกแวะไปได้บ้างเลยท่านพระอาจารย์ม่านบอกให้ท่านพระอาจารย์ขาวพูดกับช้างซึ่งกําลังกินใบไผ่อยู่ติดๆกับทางที่ท่านจะผ่านไปช้างอยู่ห่างกับท่านประมาณสิบวายืนหันกล้นมาทางพระมันยังไม่เห็นพระเวลานั้นท่านพระอาจารย์ขาวก็เริ่มพูดกับช้างว่า พี่ชายเราขอพูดด้วยประโยคแรกมันยังไม่ได้ยินชัดเป็นแต่หยุดกินใบไผ่ท่านอาจารย์ขาพูดขึ้นอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพอประโยคนี้จบลงมันรีบหันหน้ามาทางพระยืนอยู่ทันทีหูกลางเต็มที่และยืนนิ่งไม่กระดุกกระดิกท่านก็พูดซ้ากับมันอีกว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายนั้นตัวก็ใหญ่กาลังก็มาส่วนพวกเราเป็นพระ ทั้งกำลังมีน้อยและกลัวพี่ชายมากพวกเราก็เดินผ่านไปที่พี่ชายยืนอยู่นั้นขอให้พี่ชายหลีกทางให้พวกเราบ้างพอมีทางไปได้ถ้าพี่ชายยืนอยู่ที่นั้นพวกเรากลัวพี่ชายมากไม่กล้าเดินผ่านไปที่นั้นได้พอพูดจบลงช้างตัวนั้นรีบยืนหันหน้าเข้ากอไผ่ข้างทางทันทีเอางายาวๆสอดเข้าไปในกลางกอไผ่ซึ่งแสดงว่าไม่ทําไรแล้วให้มากันได้ พอช้างหันหน้าเข้ากอไผ่เรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกกันว่าทีนี้เขาไม่ทำไมแล้วพวกเราไปได้ท่านอาจารย์ทั้งสองข อ, อนิมนต์ให้ท่านพระอาจารย์มั่นเดินกลางท่านอาจารย์ขาวเดินหน้า<ม>ท่านอาจารย์มหาทองสุกเดินหลังพากันเดินผ่านไปที่กนช้างห่างกันประมาณหนึ่งวารโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเอินพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุขก็ใบเกียวเอาแขนงไม้ไผ่ เข้าพอดีปลดอย่างไรก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นั้นนานจนเหนื่อยโชคไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากซึ่งกําลังยืนดูท่านอยู่ขณะที่กําลังปลดขอปลดอยู่นั้นได้ชำเลืองดูตาช้างตัวกําลังยืนนิ่งเหมือนตุ๊กตาอยู่นั้นได้เห็นตาช้างตัวนั้นใสแจ๋วน่ารักมากกว่าจะน่ากลัวแต่ใจก็ยังกลัวอยู่ในขณะนั้นพอพ้นไปได้แล้วใจกลับเห็นช้างตัวนั้นเป็นสัตว์ที่น่ารักมาก เมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่าพี่ชายเอ๋ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิดพอจบลงเท่านั้นเสียงมันฉุดลากกิ่งไม้ดังโโดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วจึงได้สนทนากันถึงช้างตัวแสนรู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าสงสารมากเป็นแต่มันพูดไม่เป็นเท่านั้นขณะสนทนากันท่านอาจารย์มหาทองสุขกล่าวเปลี่ยนถามท่านอาจารย์มั่นว่าขณะนั้น ท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าว่าช้างตัวนี้นึกอะไรบ้างขณะที่พวกเราเรียกและพูด ก, กับมันตลอดขณะที่เราเดินผ่านกับมันมากระผมอยากทราบบ้างเพราะเป็นสัตว์ที่น่ารักและน่าสงสารมากขณะพวกเราเรียกมันพอได้ยินเสียงเรียกเห็นมันทําท่าเต็งๆหันหน้ากลับมาหาพวกเราทันทีทันใดเราขับจะวิ่งมาขยี้ให้แหลกละเอียดในขณะนั้นจนได้แต่พอทราบเรื่องแล้ว กลับเป็นมนุษย์ขึ้นมาในร่างสัตว์และรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางาเ ย, ยาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่ ย, ยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณซึ่งเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าพวกน้องๆพากันมาเถอะพี่ไม่ทํำไมแล้วพี่เก็บสตราอาวุธซ่อนมันหมดแล้วเชื่อและมาเถอะในถ้ำนี้แล้วก็พูดเชิงหยอกเล่นกับท่านอาจารย์ขาวพังว่าท่านอาจารย์ขาวก็พิสดารและเฉเลนพูดกับช้างซึ่งเป็นสัตว์ทั้งตัวเล่ากับพูด กับมนุษย์ทั้งคนว่าพี่พี่พวกน้องกลัวไปไม่ได้ขอให้พี่หลีกทางให้หน่อยพวกน้องจะได้ไปกันได้ไม่ต้องกลัวพี่ไอพี่ก็เหมือนเทวบุตทใจมหาเวทสันดอนพอได้ลูกย่อก็ไปสักลูกตอนนั้นก็อิ่มท้องรีบจัดแจงหลีกทางให้ทันทีทันใดไม่รีรอแต่น้องคนเล็กเซ่ออาการพอผ่านพี่ไปได้ขอกรดก็เกิดไปเกี่ยวกับขแขนงไม่ไผ่ตดเท่าไรเท่าไรก็มายอมออกแต่พยายามให้อยู่กับพี่จนได้ ใจหายหมดขณะที่กำลังปลดขอกลดอยู่นั้นตัวพี่จะเล่นไม่สื่อท่านพระอาจารย์มั่นพอฟังคำท่านอาจารย์มหาทองสุขพูดหยอกเล่นท่านอาจารย์ขาวว่าฉลาดพูดกับช้างแล้วเลยหัวเราะใหญ่ไปพักหนึ่ง